บรนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปข้อความที่ท่านอุตยะมานพกราบทูลสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าในข้อต่อไปนั้นท่านใช้คำว่าพระผู้มีภาคเจ้านั้นเป็นผู้มีกิจเสร็จแล้ว เป็นผู้เข้าถึงฝั่งแห่งธรรมมีธุลีไปปราดแล้วเปต้นประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าคำว่ามีกิจที่ควรทาได้ทาเสร็จแล้วข้อนี้เป็นคุณสมบัติของพระอรหันต์ทั้งหลายในโลกนี้เมื่อท่านประเป็นเพียรจนถึงบันลุอรหัตต์รรมเข้าถึงอรหัตติบ ญาณก็จะบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านว่ากระตังกระอน่างกิจที่เราควรทำได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทตาญาติประชานาติติกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีวันพระพุทธเจ้าและพระานทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นผู้เสร็จกิจข้อนี้ก็ตรงกับที่ได้รับสั่งแก่พระสาวกเมื่อส่งไปประกาศพระศาสนา คราวแรกหสิบลูกในตอนต้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์ดังกันซึ่งก็หมายความว่าพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากบ่วง คือกามคุณทัังหลายได้แก่ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสและอำนาจของอารมณ์ที่มาจากภายนอกเพราะกิเลสภายในได้หมดไปอย่างแท้จริงโดยเส้นทางแห่งการประพฤติปฏิบัตินั้นแม้ในระดับที่ลดหลั่นลงมาคือพุทธศาสนิกชนทั่วไปหรือแม้แต่ประชาชนคนทั่วไปก็จะมีโครงสร้างในการประพฤติปฏิบัติ เช่นเดียวกับที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงประพฤติปฏิบัติเพียงแต่เป็นเรื่องที่ลดหลั่นลงมาเท่านั้นข้อ น, นี้พึงสังเกตว่าคำวมกิจที่ควรทำได้ทําเสร็จแล้วนั้นหมายถึงกิจที่เป็นส่วนของพระองค์ที่เราเรียกว่าอัตรประโยชน์คือประโยชน์ส่วนพระองค์ซึ่งได้ทรงใช้ ความเพียรพยายามจนจสัตว์รู้พระนุตระสมาสัมโพธิญาณเข้าถึงปัญญาที่สมบูรณ์พระองค์มีความไปสุทธิ์หมดจดอย่างสมบูรณ์ที่แท้จริงแต่งานที่เป็นประโยชน์ เ, ก, เกื้อกูลแก่บุคคลอื่นซึ่งจะต้องทําด้วยความกรุณาต่อสัตว์โลกนั้นยังไม่ได้เสร็จและจะต้องทําต่อไปซึ่งจะต้องเป็นการทําอย่างต่อเนื่องโดยไม่ท้อถอย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเมื่อรับสั่งแก่ภาษาวกที่ยกมาในตอนต้นนั่นเองแล้วในช่วงต่อมาก็เชี้เห็นว่าพวกเราก็เสรจฐุระส่วนเราแล้วต่อไปก็ต้องช่วยโลกกันจึงรับสั่งว่าเธอทั้งหลายจงเที่ยวจ่าริกไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนั้นมากเพื่อเป็นการอุเคราะห์ต่อชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุข แกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายซึ่งจะเห็นได้ว่าพระพุทธดํำรัสแต่และข้อนั้นไม่มีอะไรเพื่อพระองค์หรือเพื่อพระอรหันต์เหล่านั้นเพียงแต่เพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้เพื่อกลุ่มนั้นกลุ่มนี้โดยวัตถุประสงค์อย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ากิจส่วนพระองค์นั้นได้เสร็จแล้วปัญหาสําคัญที่พึงศึกษาก็คือว่าคำว่ากิจที่เสร็จแล้วนั้นคือกิจอะไร ถ้าเราจะมองให้เต็มฟอร์มของการประพฤติปฏิบัติก็จะพบว่ามันก็มีกิจอยู่สี่กิจ ด, ด้วยกันที่ท่านเรียกว่าเป็นยากิจคือกิจที่ควรกำหนดรู้ถึงสภาวะอันแท้จริงของสัตว์และสังขารทั้งหลายที่เกิดแก่ต า, ตายตกอยู่ในอำนาจของไตรลักษณ์เป็นการกำหนดรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นประการที่สองเ็เรียกว่าประหาในกิจ กิจที่เกี่ยวด้วยการละความชั่วทั้งหลายเราอาจจะเรียกว่าสมุทยัยอาจจะเรียกว่าอากุศลอาจจะเรียกว่าโลภปรดหลงอาจจะเรียกว่าอนุสัยหรืออาจจะเรียกว่าอะไรก็ตามสรุปว่าเป็นการละกิเลสอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลายประการต่อไปก็คือสัตจิการิปกิจกิจที่ควรแก่การกระทาให้แจ้งที่จริงก็เป็นเป้าหมายเฉย เธอไม่ต้องลงมือกระทำอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ตั้งเป้าหมายซึ่งจะไปให้ถึงจุดหมายเหล่านั้นเท่านั้นนั่นก็คือการทำให้หมดสิ้นจากความทุกข์ก็าถึงความสุขความสงบอย่างสมบูรณ์แล้วก็ภาวนากิจกิจที่เกี่ยวกับการบำเพ็ญภาวนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมความดีบังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตอนแล้ว คามดีเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ลดละสลายกันากุศลทั้งหลายจนเมื่ออุศนหมดไปสิ้นไปความสุขก็ปรากฏขึ้นความทุกข์ก็หมดไปชื่อว่าเป็นการเสรจกิจแต่ถ้าเราพูดโดยย่อๆอีกทีหนึ่งพระเจ้าจะเน้นไปที่สองกิจคือประหานกกิจได้แก่การละความชั่วกับภาวนากิจ ได้ แ, แก่การกระทำความดีแต่ในเชิงการปฏิบัติเราอาจจะพูดเพียงครั้งเดียวก็ได้ที่ท่านเรียกว่าภาวนาคือการอบรมการกระทำให้มากเช่นการเจริญกรรมฐานเป็นการเน้นไปที่ด้านของภาวนาไม่ได้เน้นไปที่ส่วนของการละความชั่วเพราะไรเพราะเมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติเสริมสร้างความสงมบให้บังเกิดขึ้นภายในจิตใจกังตัวเอง แล้วปริมาณของกุศลและธรรมที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนนั่นเองจะทำหน้าที่ลดละสลายใบรปาากิเลสที่ตรงกันข้ามกับตนเห็นว่าเวลาใจมีความสงบขึ้นในตัวความสงบนั่นเองจะทำหน้าที่สยบกามฉันคือความเดี่ยวนึกด้วยอานาจความคลายในอารมณ์ทั้งหลายในขณะที่ปฏิบัติอยู่มีปีติบังเกิดขึ้น ความอาฆาตพยาบาทก็จะสงบลงไปหรือว่ามีความตรึกที่เป็นกุศลความกวเหงาหานอนก็จะสงบลงไปมีการนำธรรมะหรือธรรมวิตรคือนำธรรมะมาไตรตรองพิเนปิจณาความเครืยดแกรงสงสัยก็จะสงบลงไปเมื่อผู้ปฏิบัติได้รับความสุขในระดับใดระดับหนึ่งความฟุ้งซ่านก็ค่อยๆสงบลงไป เรือนี้จึงเป็นโวหารในการเทศการแสดงพราะที่จริงเราจะจับตรงไหนก็ได้จะว่าให้เต็มทั้งสี่ชุดก็ได้จะว่าเพียงสองข้อก็ได้หรือจะว่าเพียงข้อเดียวก็ได้แต่ผลจะออกมาในลักษณะอย่างเดียวกันบางครั้งไม่ต้องการให้คนรู้สึกว่าต้องทำอะไรมากไปพระพุทธเจ้ามักแสดงไว้โดยสรุป เช่นว่ารักให้รักษาจิตของตัวเองอจะคิดไปในอารมณ์ภายนอกหรือว่าจงทาดารงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทหรือจงมีสติอยู่ในการทุกเมื่อหรือใช้ฮิริศระกัดกั้นกระแสของอกุศลเอาไว้เป็นต้นนี่หมายความว่าในเชิงของการปฏิบัติและใช้ธรรมะเป็นหลักใจเพียงข้อเดียวแต่ว่าพลังของธรรมะที่เกิดขึ้น จากการเพิ่มภูนแห่งธรรมนั่นเองแล้วก็จะดูดซึมเอาธรรมะในฝ่ายเดียวกับตนเข้ามาไว้เสริมกำลังธรรมะเหล่านั้นก็ช่วยขจัดอกุศลภายในจิตใจของตนให้จางลงไปโดยลําดับวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาจึงมาอยู่ที่การละชั่วประพฤติอย่างที่ทราบกันแต่ความชั่วมันก็มีเป็นชั้นๆขึ้นไป ความดีก็มีเป็นชั้นๆขึ้นไปแต่กำลังในการประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีความหลากหลายออกไป็คล้ๆก็เราจะขึ้นบนที่สูงบันไดที่จะขึ้นมันก็ต้องสูงด้วยแต่เรายืนอยู่ข้างล่างมองไปสู่จุดขั้นขั้นบนก็รู้สึ ก, กว่าไกลนักเกินแต่แท้จริงแล้วขั้นล่างกับขั้นบนนั้นติดกันมันต่อเนื่องกัน อยู่ในโครงสร้างเดียวกันถ้าคนค่อยๆเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปมันก็ใกล้ขั้นบนลงไปโดยลำดับแต่ในขณะที่เดินอยู่ในขั้นใดก็ตามก็ยังเกี่ยวข้องกันอยู่ทั้งจากขั้นบนถึงขั้นลา่างธรรมะปฏิบัติก็มีลักษณะอย่างนั้นแม้เราจะพูดมาเบื้องต้นอย่างไรกต่ศึกษาไปปฏิบัติไปส่วนเบื้องต้นก็ต้องมีและส่วนเบื้องบนก็ต้องใกล้เข้าไป เ, เดียวกับการอ่านหนังสือหรือการทํางานนั่นเองเวลาเราอ่านหนังสือก็เกี่ยวข้องอยู่กับความรู้เก่าวเกี่ยวข้องอยู่กับความรู้ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นและจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยของความรู้ที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปด้วยคําว่ากระตังกรณีอย่างคือกิจที่ควรทําได้ทําเสร็จแล้วนั้นพึงสังเกตว่าในเชิงของการประพฤติปฏิบัติระดับหนึ่งคือระดับทั่วไป แม้สาบันชนที่เป็นคนซึ่งมีความตั้งใจพอสมควรก็สามารถประพฤติปฏิบัติได้เช่นในชั้นของการละการงดเว้นไม่ละเมิดในสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้นั้นมีการงดเว้นระดับหนึ่งที่ท่านใช้คำว่าสมุดเฉดทวิรัตคืองดเว้นด้วยการตัดขาดไปเลย ในเชิงที่สมบูรณ์จริงๆจะต้องตัดขาดด้วยมักแต่พึงสังเกตว่าโดยการประพฤติปฏิบัติจึงอาศัยจิตใจที่มีความเข้มแข็งพอสมควรบุคคลสามารถงดเว้นไม่ละเมิดศีลบางข้อได้อย่างเด็ดขาดตัวอย่างเช่นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วศีลค้อบปานา ข้อทินนาหรือข้อกาเมหรือข้อมุสาหรือข้อสุราเนี่ยเราอาจจะตัดขาดไม่ได้ทุกๆข้อแต่บางข้อก็ตัดได้เด็ดขาดเช่นว่างดดื่มสุราอย่างเด็ดขาดงดประพฤติผิดในทางกามอย่างเด็ดขาดหรืองดโกหกอย่างเด็ดขาดเป็นต้นเมืง่งดไปแล้ว ได้เห็นคนอื่นประพฤติกระทำเช่นนั้นเกิดความสงสารเขาที่เขายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของอกุศลก็พยายามที่จะช่วยเหลือเขาให้หลุดพ้นจากบาปอกุศลเหล่านั้นครนีจะเห็นได้ว่ากิจในการละในช่วงแคบๆเล็กๆ แ, แ, แ, แล้วก็ตัดขาดได้เหมือนกันการตัดขาดนั้นก็พยายามตัดขาดไปดยาำดำับ บางครั้งบางคราวอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกําหนัดกับก่อให้เกิดความขัดเคืองซึ่งจะเห็นว่ามีเสมีแรงกระแทกสูงมากที่พระเจ้าทรงใช้คําว่ายินดียินร้ายใช้คำบาลีว่าอภิชาโธมนัทซึ่งผู้ปฏิบัติธรรมจะสังเกตได้ว่าอารมณ์กระแทกใจแรงก็คืออารมณ์สายโลภกับสายโทสะสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจได้แรงมาก แต่ในชั้นของกา ร, รปฏิบัติที่ผ่านการขัดเกลีวจิตใจมาถึงระดับหนึ่งบุคคลสามารถที่จะคุมใจตัวเองเอาไว้ได้บางเรื่องยันไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดคราวนี้พึงดูตัวอย่างว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วมีกิจกรรมของวัยรุ่นเป็นอันมากในปัจจุบันที่เราไปได้ยิน เห็นการดเล่นการสนุกสนานของวัยรุ่นดอกนั้นไม่มีความอยากที่จะดูจะชมหรือข้าไปเกี่ยวข้องกลับมีความรู้สึกสงสารเด็กเหล่านั้นที่ปล่อยการเวลาผ่านพ้นไปด้วยความเพลิดเพลินรเริงลงตามวัยของแกจนถึงรู้สึกภาคภูมิที่ตัวเองหลุดรอดจากกระแสความกำลังเพลิดเพลินเหล่า น, นั้นออกไปได้นี่ก็แสดงว่า ใจิตใจได้พัฒนาขึ้นไปอยู่เหนืออารมณ์เหล่านั้นได้แต่ไม่ได้หมายความว่าทำได้ทุกคนใครก็ตามที่ทำได้ยกระดับจิตขึ้นมาได้ก็ถือว่าเป็นการตัดขาดในเรื่องนั้นๆได้แม้จะอาจจะกำเริบขึ้นมาได้ในโอกาสต่อไปเพราะจิตใจยังมีความเปลี่ยนแปลงยังไม่มีความมั่นคงก็ตามแต่สรุปว่าการปฏิบัติในลักษณะตัดขาด แล้วก็ทําได้ในบางเรื่องซึ่งก็เป็นมาสเป็นเครื่องวัดถึงความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติของตนในขั้นของการละแล้วก็เดินกันมาโดยลําดับเช่นในขณะที่บําเพ็นเพียนทางจิตจุดนั้นก็มีเรื่องที่จะต้องลดจะต้องละจะต้องตัดแลวตัดก่อนการทําความสงบใจนั้นก็คือการสลละละวาง กิจาการงานต่างๆที่ตนเตรียมจะทำหรือว่าทำผ่านมาแล้วหรือคาดหมายว่าจะทำต่อไปที่พูะเจ้าทรงใช้คำรวมๆ ว, ว่าปราิพเทศคือเครื่องกังวลใจถ้าสามารถตัดใจได้ตัดใจจากความห่วงใยในกิจาการงานที่ไกลตัวออกไปในญาติพี่น้องการเจ็บป่วยการเดินทางตลอดทึงยานภาณนะ ในปัญหาทางครอบครัวเป็นต้นสงบไว้ในระยะหนึ่งอย่างน้อยในช่วงระยะที่ทำความสงบใจแล้วก็ชื่อว่าเป็นการละได้ในช่วงนั้นๆั้นแต่เมื่อละได้ใจก็มีกำลังพอที่จะโน้มน้อมเข้าหาความสงบไม่ถูกกระตุกให้กลับไปด้วยเรื่องกังวลทั้งหลายซึ่งของ้อนี้ถ้ามีการตรวจสอบดูจิตของตนเองในขณะประพฤติปฏิบัติก็จะเห็นว่า บางครั้งจิตก็จจวิ่งกลับไปกลับมาไม่ไกลเลยวิ่งไปห่วงอยู่ที่รถไปห่วงอยู่ที่ของซึ่งวางอยู่ที่หน้าไปห่วงอยู่ที่คนทึ่นั่งใกล้จิตจิตก็วิ่งไปวิ่งมาเงี้ยแทนที่จะสงบอยู่กับอารมณ์ซึ่งกําหนดระลึกแต่บางครั้งก็ทําได้ในกรณีที่ตัดได้สงบได้ก็ชื่อว่า ิดด้วยการละนั้นได้ทำเสร็จแล้วอย่างน้อยก็ในขณะนั้นในเชิงของการประพฤติบัติมันก็ตายอันดับกันไปอย่างนี้ทำอย่างไรใจจึงจะหลุดพ้นจากบาปจากอากุศลได้แม้ชั่วขณะหนึ่งขณะหนึ่งเมื่อได้สัมผัสผลที่เกิดขึ้นจากการลดละกิน ใจของบุคคลจะเกิดปีติปราโมทย์และความสุขอย่างต่อเนื่องต่อจากนั้นองค์ธรรมเราจะเรียกว่าอิทิบาทสหรือโพชงเจ็ดก็ตามก็จะเกิดขึ้นมาสนับสนุนให้มีชั้นเท่าอุสาหะาในการเพิ่มพูนการลดละให้มากกริงเข็นไอ้กิจที่ควรทาก็ได้ทำเสร็จในแต่ละขณะแต่ละขณะ อาจจะนานขึ้นไปเป็นหลายๆชั่วโมงอาจจะหลายๆวันอาจจะหลายๆเดือนเพื่อาจจะหลายหลายปีแต่ว่าเรื่องเรื่องก็หลายๆปีนั้นจะต้องเป็นระดับชาญแต่เพึงสังเกตว่าบางอย่างที่กล่าวมาในตอนต้นนั้นเราก็ตัดได้เช่นว่าตัดการดื่มสุราอย่างเด็ดขาดตลอดชีวิตแม้มีโรคภัยไข้เจ็บ จะต้องเกี่ยวข้องกับกระสสา ย, ยาคือสุราแต่บุคคลก็ไม่ยอมดื่มก็แสดงว่าตัดขาดในจุดนั้นได้จริงๆแต่ข้อสำคัญที่สุดคือผลของการตัดขาดกิเลสนั้นจะต้องออกมาในรูปของใจมีความสะอาดขึ้นมีความรู้สึกเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นที่ยังประพฤติยังกระทําไปตามอำนาจของสิ่งเหล่านั้น ไม่จะเกิดเป็นลูกของมารนะไปดูหมิ่นคนอิดที่ทำไม่ได้เหมือนตนจนถึงก็ยกตนข่มคนอิดถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเป็นการเพิ่มกิเลสอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นลดกิเลสอีกอย่างหนึ่งทำนองกับการกวาดบ้านให้สะอาดและเอาครนมาสาดตริลังบ้านสะอาดปราศจากฝุ่นทุลีในขณะนั้นจริง แต่ปกครองเข้ามาอาการชักจะหนักกฝุ่นทุลีในก่อนสิเป็นการเปลี่ยนย้ายกิเลสแต่ในเชิงของธรรมะแล้วจะต้องย้ายกิเลสออกไปเสริมธรรมะเข้ามาสู่ใจเ่องจะเสริมได้ขนาดไหนเป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่ตรงใช้กำว่าสันเลขะคือขัดเกลากไปเรื่อยๆเราจะเรียกว่าขัดเกลาเราอาจจะเรียกว่าขูดเกล า, าเร า, าจะเรียกว่าซักฟอก ยังไงก็ตามคือหมายความว่าขัดจัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปต้องเห็นได้ด้วยใจของตัวเองไม่เห็นได้ด้วยใจของตัวเองก็ชื่อว่าไอ้กิจที่ควรทำในเรื่องเหล่านั้นอย่างน้อยก็ไม่ต้องทำในขณะในบางขณะได้เช่นพอนั่งกรรมฐานเรื่องกลงบนทั้งหมดจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันก็ตามตัดออกไปจากใจได้แล้วก็อยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานเท่านั้น ก็แสดงเห็นว่ากิจที่ควรทําเกี่ยวกับการพยายามขัดเกลาริโพสก็เสร็จไปอย่างน้อยในแต่ละครั้งแต่ละครั้งที่นี้ในชั้นของการบําเพ็ญความดีก็มีลักษณะเช่นเดียวกันในกรณีของการทําประโยชน์เพื่อตัวเองเสริมสร้างเสริมสร้างคุณภาพในด้านจิตใจของตัวเองให้สูงขึ้นนั้นบางอย่างบุคคลเพียงพยายามกระทาได้จนเป็นฐานใจ จะต้องมีความหมั่นขยันเป็นฐานใจพร้อมที่จะทำงานไม่ว่าหนาวจัดร้อนจัดฝนตกแดดออกหรือว่าการเวลาจะเลยเวลาทำงานไปแล้วก็ตามแต่เมื่องานไม่เสร็จอาศัยความเพียรพยายามความหมั่นขยันคนเหล่านั้นก็ทำงานไปได้นี่แสดงว่าความหมั่นขยนนันนั้นเข้าไปอยู่เป็นฐานใจสามารถที่จะเคลื่อนไหวไปอย่างมีสาระประโยชน์ ควรแก่การปีติปรามโมทย์ของบุคคลด่านั้นหรือบางครั้งก็มีเมตตาเป็นฐานใจได้ซึ่งหมายความว่า ก, กิจที่จะต้องเจริญด้วยเมตตาในบุคคลบางคนก็สงบคือไม่ต้องทมแล้วนันเกิดได้โดยอัตโนมัติเห่นข้อนี้เมื่อบุคคลหันมาตรวจสอบในจิตใจตัวเองก็จะพบว่าเมตตาที่เรามีต่ตอบุคคลบางคนนั้น แม้บางครั้งบางคราวเ ก, ก้าวร้าวรุนแรงแสดงการหยาบคายอะไรออกมาก็ตามแต่มีแต่เมตตากรุณาต่อเขาไม่มีแม้แต่ความคิดจะโกรธตอบประหารตอบประทุษร้ายตอบซึ่งก็หมายความว่ากิจที่จะจะเริญเมตตาในบุคคล น, นี้อย่างน้อยในขณะนั้นก็สงบลงไปได้บางครั้งบางคราวเป็นการปรงตก ในลักษณะที่ไม่ถือสาหาความกับคนบางพวกคือเขาเป็นกงเขาอย่างนั้นเองลักษณะการมองในแนวการเป็นอย่างนั้นเองก็คือว่าสังขารที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาได้เกิดขึ้นแล้วสังขารไี้จะต้องมีการเสื่อมสลายไปธรรมดาได้เสื่อมไปแล้วแตกทําลายเป็นธรรมดาก็แตกแล้วต้องพลาดพลาดกันธรรมดาก็พลัดพลาดไปแล้วนั่นเป็นการโครงสร้างในแนวการกําหนดตามหลักของทุกสัตว์ เวลาจะต้องปฏิบัติกับบุคคลบางคนก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแต่คนบางคนนั้นจะต้องอาศัยการปรงตกว่าแกเป็นได้เท่านั้นเองเพราะฉะ้แกเป็นอย่างที่แกเป็นผู้จ่ากับคนนี้จะต้องได้ยินได้ได้ฟังถ้อยคําในลักษณะนี้กลับใจได้เตรียมใจไว้ได้ไม่ถือสาหาความกับเขาใจคนก็สงบได้ แต่ละอย่างนั้นไม่ว่าในส่วนของการละก็ดีในส่วนของการบำเพ็ญความดีก็ดีและในส่วนของการปรงตกในอารมณ์บางอารมณ์ก็ดีนนถ้าบุคคลทำให้เป็นฐานใจได้ก็เชื่อว่ากิจที่ควรทำสำหรับกรณีนั้นก็ไม่ต้องทำอีกมีแต่จะทำไปในกรณีต่ออื่นแต่ว่าการปฏิบัติธรรมะ ในชั้นของคนทั่วไปศาสตร์ใดที่ยังไม่ถึงฝั่งของอรหันตมรุคคลก็มีงานที่ทําแล้วและยังไม่ได้ทําอยู่ซึ่งจะต้องมีการวิเคราะห์ตรวจสอบอยู่เสมอแต่ปัญหาที่ออกจะยุ่งแล้วก็ยุ่งมากเป็นพิเศษก็คือว่าคนมักจะใส่ใจถึงงานที่ทําแล้วและไม่ได้ทําของคนอื่น แทนที่จะตรวจสอบดูแรงงานที่ทำแล้วและไม่ได้ทำของตนเองคร น, นี้พระพุทธเจ้าได้ทรงตอกย้ำให้บุคคลจนาว่าบุคคลไม่ควรไปใส่ใจถึงถ้อยคาแสลงหูหยาบคายของบุคคลอื่นหรือกิจที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของบุคคลอื่น อัตโนวาเวกเยะแต่ให้ตรวจสอบเรื่องของตัวเองตรวจสอบเรื่องอะไรคือเรื่องที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำของตัวเองตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าการไปตรวจสอบบุคคลอื่นนั่นนอกจากจะเป็นการทำลายการเวลาซึ่งควรจะใช้ไปเพื่อประโยชน์ของตนให้ได้มากแล้วการไปตรวจสอบเรื่องของบุคคลอื่น ก็เป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นภายในจิตใจของตนมีความพอใจมีความไม่พอใจถ้ามีความไม่พอใจก็เกิดปฏิฆะเห็นเขาไม่ีความเจริญก้าวหน้ากิตยาก็ตกลงกัาจิตมันก็วิ่งไปตามอำนาจของกิเลสแทนที่จะวิ่งไปตามกระแสของกุศลแต่ถ้ามีการตรวจสอบที่ตนอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ มองดูถึงเรื่องที่ได้ทำแล้วและยังไม่ได้ทำในเรื่องที่ทำแล้วก็ตรวจสอบในแง่ของความสมบูรณ์ความถูกต้องของสิ่งที่ตเนเกิดทำเต้นว่ายังไม่มีความสมบูรณ์ก็เพิ่มให้มีความสมบูรณ์ขึ้นเห็นว่าทาให่ถูกต้องก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเกิดเป็นความถูกต้องขึ้นมา การงานในลักษณะนี้ก็ต้องใช้อย่างนั้นเท่านั้นแต่แม้ตรงนี้เองก็มีปัญหาในเชิงของการประพฤติปฏิบัติบางครั้งบุคคลไปเข้าใจสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์ว่าสมบูรณ์ดังนั้นจะมีการยึดมั่นในตัวตนว่าดีแล้วเก่งแล้วถูกต้องแล้วแล้วไปปฏิญาณตนในลักษณะเช่นนั้นนั่นเป็นเรื่องของความหลงความกระด้างโดยมานะเป็นความดื้อรั้น ของบุคคลเพราะในแง่จริงๆแล้วสามัญชนไม่มีใครที่สมบูรณ์ยังมีส่วนบกพร่องที่จะต้องแก้ไขที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่เสมอพอเกิดหลงตนขึ้นเช่นนี้ก็เกิดเป็นอาหาังการเป็นมามังการขึ้นมากลายเป็นใครที่ใครไม่สามารถว่ากล่าวตักเตือนได้ชี้แจงโทษผิดอะไรไม่ได้พูดเฉพาะยกย่องอย่างเดียวพูดในเชิงชี้โทษชี้ความผิดให้ไม่ได้ ท่านเองก็หลงว่าท่านสมบูรณ์ใช่แล้วคนที่เห็นว่าท่านไม่สมบูรณ์ก็ไม่มีโอกาสที่จะบอกได้แต่ในที่สุดชีวิตของบุคคลซึ่งตกอยู่ในสภาพนี้จะเพิ่มบาปมากยิ่งขึ้นดังนั้นการสอดส่องดูตัวเองจึงต้องเป็นการสอดส่องที่เด่นชัดมากอย่างที่ท่านคงจือกล่าวไว้เม่อมีคนมาถามถึง ทำอย่างไรจึงเรียกว่ารู้หรือไม่รู้ท่านบอกไว้ว่าสิ่งใดที่ท่านไม่รู้ท่านรู้ว่าท่านไม่รู้แสดงว่าท่านรู้ในใจโครงสร้างเหล่านี้อะไรคือไม่ดีอะไรคือไม่รู้เรารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีสิ่งนั้นเราไม่รู้สิ่งนั้นยังไม่ถูกต้องสิ่งนั้นยังไม่สมบูรณ์แล้วก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้แต่ถ้าสิ่งใดที่เราไม่รู้แต่เราเกิดเข้าใจว่าเรารู้ สิ่งใดยังไม่สมบูรณ์ไปเกิดเข้าใจว่าสมบูรณ์สิ่งใดยังไม่ถูกต้องไปเกิดเข้าใจว่าถูกต้องโอกาสที่จะปฏิญาณว่าเสร็จแล้วกิจการงานที่ควรทําเสร็จแล้วเฉพาะในกรณีนั้นนั้นก็พูดไม่ได้ปฏิญาณไม่ได้แตนั้นการวินิจฉัยตรงนี้จึงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องส่องและในกรณีของสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เป็นความถูกต้องสิ่งที่เป็นความดีก็รู้ตามความเป็นจริงเหลนั้น นี่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รู้จริงก็รู้ถูกต้องดังนั้นบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้มีกิจนั้นได้กระทาแล้วของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นในส่วนของพระองค์สมบูรณ์เต็มที่เมื่อทรงสอนพุทธบริษัทให้ปฏิบตัติก็ให้ปฏิบัติไปตามนี้และมีการตรวจสอบตัวตนด้วยตนว่าสิ่งที่ควรละเราได้ละแล้วมากมน้อยแค่ไหนเพียงไร และสิ่งที่ควรบำเพ็ญเราได้บำเพ็ญแล้วมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเมื่อเป็นการสอสองด้วยปัญญาอย่างแท้จริงก็จะได้เกิดปีติปราโมทย์ขึ้นภายในจิตใจตามสมควรแก่การระพฤติปฏิบัติต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบสืบต่อไป